ข็ความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธิญาณได้นำเสนอชมภูทวีปและประชาชนมาตามลำดับเพื่อนำท่านผู้ฟังไปศึกษาภูมิหลังก่อนที่จะเกิดพระพุทธศาสนาขึ้นหรือก่อนที่พระโพธิสัตว์จะอุบัติขึ้น เราการศึกษาในแนวพุทธประวัติเราจะต้องทําความเข้าใจกับปัญหาข้อเท็จจริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์แล้วข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะกับข้อเท็จจริงในแง่ของปาฏิหารตรงนี้มันยัง ก, กำลังอยู่ในช่วงของประวัติศาสตร์วันก่อนก็ได้พูดถึงลักษณะทางสังคมลักษณะทางการเมือง ลักษณะทางาศาสนาแต่ศาสาศนาเหล่านั้นบางครั้งเราก็เรียกว่ า, าศาสนาพราหมณ์แต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราจะพูดได้ถูกก็คือาศาสนาที่พราหมณก็รักถือแต่ถ้ากว่าจะจัดเป็นรูปของาศาสนามันก็มีปัญหาแม้แต่ว่าพัฒนาขึ้นมาจนเป็นาาศาสนาฮินดูในปัจจุบันเนี่ย มันก็จัดกันแบบกรมแกรมไปเพราะเกณฑ์กำหนดมาตรฐานนี่ท่านกำหนดที่องค์ประกอบของความเป็นศาสนาแล้วคือหนึ่งจะต้องมีศาสดาที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์และสามารถพิสูจน์ทราบได้การที่สองจะต้องมีศาสนิกที่ให้การยอมรับนับถือศาสดาและศาสนธรรม ศาสนานิกนั้นอาจจะแบ่งเป็นฝ่ายนักบวชกับฝ่ายคารวะหรือฝ่ายคารวะรุ่นๆก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรแต่ฝ่ายนักบวชรุ่นๆไม่มีนะฮะเพราะว่านักบวชรุ่นๆมันจะอยู่ไม่ได้เชในความเป็นพระพุทธศาสนานี่ถ้าเราดูให้ดีแล้วชาวบ้านเนี่ยเหมือนกับน้ําพระสงฆ์ก็เหมือนกับปลาซึ่งจะต้องอิงอาศัยน้ำแต่กลัวขาด ชาบ้านให้การยอมรับนับถือในสถานภาพของพระพระกคือคนคนหนึ่งนีคือเราชัดเจนเนี่ยจะต้องรู้จักว่าเจ้าเราไปต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เขาไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาเลยเนี่ยเราก็คือคนเข้าหมื่นคนหนึ่งท่า น, นั้นเองก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรถึงไม่ต้องพูดถึงคนไหว้ไม่ไหวแต่พวกจะคนแหลกขนาดไหนเนี่ยพิริงกลึง แล้วก็แสดงเห็นว่าศาสนามันจะต้องมีศาสนิกทั้งสองกลุ่มศาสนิกกลุ่มนัก บ, บวชเป็นกลุ่มเล็กน้อยแต่ว่าจะเป็นตัวนำในเรื่องทางศาสนาในขณะเดียวกันเนี่ยผู้บริษับรฝ่ายครือหัดเมืองเหมือนก็กองสมกบลังบำรุงซึ่งกองทัพก็ขาดกองสมกบลังบำรุงไม่ได้เหมือนกัน แล้วก็ต้องมีศาสนธรรมซึ่งศาสนกให้การยอมรับนัตื่นศรัทธาแล้วค่อนไปทางครั้งศักดิ์สิทธิ์นะยกตัวอย่างเช่นพระพุทธศาสน า, าก็มีคัมภีร์พระไตรปิฎกศาสนาคริสต์ก็มีคัมภีร์ไบเบิลทั้งโอนเทตร์เมนแล้วก็นิเทตเตอร์เมนศาสนาอิสลามก็มีอันกุรอานศาสนาพราหมณ์เราก็ถือว่ามีคัมภีร์พระเวทนะะแต่ว่าศาสนาพราหมณ์มีปัญหาที่ ศาสดานะคือมันเป็นเรื่องพอย้อนไปแล้วมันเป็นประัำปรานที่ไปที่มาเนี่ยไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงฤษีทั้งแปดตนที่ร่วมกันเขียนพระเวทเนี่ยหรือแรงบันดาลใจของสิ่งสูงสุดกว่านั้นอีกเพราะถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะต้องมีเทพเจ้าสูงสุดอะไรนะครับเราเนื้อหาสาระมันก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่เยอะ แต่เป็นเรื่องความเชื่อที่เราจะต้องยอมรับเพียงแต่ว่าตัวศาสดาที่เป็นตัวตนจริงๆมันไม่มีจะถือว่าเป็นาศาสดาหมดทั้งแปดตนก็ไม่เชิงจนพระพุทธเจ้าเราสั่งให้สติบางครั้งเนี่ยบอกว่าเหมือนกระแถวคนตาบอดที่จูงกันมาเดินก็เป็นแถวตั้งแต่หัวแถวตั้งปลายแถวเนี่ยไม่มีใครเห็นเลย เพราะว่าพวกรามก็เบ่งโออวดเยอะในสมัยบุตรกาลเนี่ยบางครั้งก็ต้องอธิบายให้คิดอย่างแรงๆเพื่อจะได้คิดแต่เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะคนพวกความเชื่อบางอย่างเนี่ยมันมีความกลัวปนอยู่ด้วยก็ทําให้แก้ไขได้ยากเกี่ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ตรวจสอบเนี่ยไปพิสูจน์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเขาไม่กล้าโอรนี้จะไม่กล้าพิสูจน์พระผู้เป็นเจ้า เราจะเห็นว่าแม้แต่ระบบปรัชญาของยุโรปมันจะไม่ค่อยอิสระแหละคือพูดไปพูดมามันก็ไปตันอยู่ที่รพระผู้เป็นเจ้าดูนักปราชญ์บางคนเนี่ยนะเอนดนะฮะคือท่านไปกลัวอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็ไม่กล้าคิดแล้วเพราะมันถูกครอบงำมาจากความคิดแล้วก็ต้องมีศาสนาสถาน อาจจะเรียกว่าวัดอาจจะเรียกว่าอารามอาจจะเรียกวมัสยิดอาจจะเรียกว่าสุราอาจจะเรียกว่าโบสถ์อาจจะเรียกว่าเทวไลยอาจจะเรียกว่าวิหารก็แล้วแต่นะฮะแต่มันจะมีความเป็นบุญยสถานสาถานสถานแล้วก็ศาสนาสถานมาความศาสนิกเองมีความรู้สึกเคารพแล้วก็เป็นสถานที่กลาง ของศาสนกทั้งหลายที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันมีคนดูแลนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีใครที่มีสิทธิ์สั่งห้ามใครไม่ให้เข้าหรือแม่้ออกเพจริงๆมันเป็นเรื่องของสาธารณาสถานอยู่ด้วยในปัจจุบันในเมืองไทยเรามีพระราชบัญญัติให้อำนาจเจ้าวาดไว้ใหญ่โตแต่ก็จริงท่านก็ไม่ ก, กล้าใช้หรอกเพราะว่าเนื้อหาสาระในมันวาจกประทับบิดยมากกว่าที่จะให้คนสมความต้องการแก่ ก, กฎหมาย แล้วก็มีาศาสนาพิจิตริกรรมต่างๆพบติกรรมนั้นจะมีดั้งเดิมคือพิธีที่มีอยู่ในยุคสมัยขององศ า, ศาสดาจงทรงประชัอยู่แล้วก็บิธีที่ไปเข้าผสมกลมกลืนเนื่องจากพระาศาสนาทั้งหลายเนี่ยมันไม่เยม่ลักษณะเลื่อนไหลคกล้ ๆ, ๆกับ น, น้ำเนี่ยมาลองสังเกตว่าถ้าที่ตกบนยอดเขาจริงๆเนี่ยน้ำก็ใส่ดืมได แต่น้ำมันก็ไหลลงข้างล่างมันไหลไปเรื่อยมันก็ผ่านปะปนกันอะไรก็ช้าล่างกันมาก็ปะปนกันไปเรื่อยมันจะอุปโภคเนี่ยพอไหวนะะถ้าบริโภคมันต้องทําความสะอาดได้ก่อนเพราะคําสอนในศาสนามันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือบางส่วนนี่ไม่มีอาการปนเปื้อนที่เห็นได้ชัดเจน แต่บางอย่างเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็ทำนองคล้ายๆกับบรรจุกล่องของส่งไปต่างแดนมันต้องมีอะไรอัดไว้ข้างนอกพวกโฟมพวกเศษกระดาษอะไรต่างๆคืออัดเพื่อจะรักษาของ ข, องข้างในนะฮะแต่บงยานของมันก็แตกมเพราะนันลักษณะตรงนี้ทำให้เราเห็นว่ายุคสมัยตรงนั้นแม้จะพูดถึงลทัทธิทั้งหกมาเนี่ย มันก็ไม่ค่อยเชิงเป็นศาสนาเพราะอะไรเพราะว่าพวกพิธีกรรมก็โดยเฉพาะพิธีกรรมกับคำพีเนี่ยมันไม่ชัดเจนเป็นเรื่องที่มากันทีหลังแต่ส่วนใหญ่ผู้ใช้ใช้แนวมุขปัตะคือเรียนรู้กันด้วยปากแล้วก็ศาสนิกเองเนี่ยก็ไม่ใช่มีรูปเป็นองค์กร ของพูดเราอุบาสกบาซิกาไม่ค่อยไปควบคุมอะไรมากคือไม่มีลักษณะเป็นองค์กรที่จัดตั้งแล้วก็มีประสิทธิภาพมีรูปแบบในการบริหารจัดการองค์กรล่านั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่พระนั่นจะมีรูปแบบเพราะว่าเป็นจำนวนคนไม่มากอันนี้ก็คือภาพที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลแต่อดถึงยุคพุทธกาลเองเนะ มันก็อยู่ในโครงสร้างเหล่านี้ถ้าเราดูในปัจจุบันมันก็อยู่ในแนวเดิมคือปรับเปลี่ยนไปไม่เท่าไหร่จนว่านักวิจ า, ารร์ทางศาสนาพูดถึงคำวีพระเวทเขาบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพูดได้เพราะดีคือมันโยกไปโยกมาหมายความว่าเรื่องเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในรกะเวศ แล้วก็เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็ยกไปโยกมาเอาไอ้ส่วนตรงนั้นมาไว้ตรงนั้นส่วนนั้นไว้ตรงนั้นวิธีคิดอย่างเนี้ยก็ในพระพุทธศาสนาเราก็มีนะวิธีจัดการกับคำพีในละักษณะอย่างนั้นคือจัดไปรวบมวดหมูม่ก็แล้วแต่วิธีคิดของท่านในยุคสรงนั้นก็ถือเป็นความถูกต้องดีงามเหมาะสมสมบุกสบยุณตรงนั้นแต่ว่ายุคของเราจะทำตามหรือไม่นะแต่คงเนื้อหาไว้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ รูปแบบในที่จริงมันไม่ค่อยจำเป็นจะต้องไปยึดติดอะไรทั้งไรก็อยากจะนำไปมองลักษณะทางสังคมเพราะสังคมที่มีชนเผ่ามากๆในปัญหาที่ยุ่งมากที่สุดก็คือความเป็นเราเป็นเขาแล้วก็พวกเราเนี้ยแม้จะนับถือพระพรมเป็นเจ้าแต่ทำไปทำมามันก็เป็นภูเทวนิยม คือนับถือเทพเจ้าหลายองค์จะพยายามรวมให้เป็นตรีมูรติในตอนหลังคือว่าจากสามเป็นหนึ่งจากหนึ่งเป็นสามก็ตามนะได้ความรู้สึกให้ความสําคัญแก่เทพเจ้าแต่ละองค์ในไม่เท่ากันเพราะสังคมสังคมอินเดียหรือสังคมบินโดก็ได้นะแล้วก็มีการทะเลาะวิวาทกันอยู่เลยแล้วก็โดยเฉพาะคือาศาสนาสามสาศาสนาที่ทะเลาะบ่อยที่สุด คือคริสต์กับอิสลามไม่ใช่ฮินดูกับอิสลามหรือว่าซิกนะก็แล้วแต่ทะเลาะกันไคล์สถ า, าคลิสมีกําลังไม่ค่อยมากไม่ค่อยมีข่าวทะเลาะเท่าไหร่แต่หุ้นวยย่อยๆก็มีเพราะศาสนาเหล่านี้จะมีศาสนาเทพเจ้านะหรือเทพเจ้าสูงสุดแล้วก็จะมีการทะเลาะ ก, กันแต่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือโครงสร้างการให้มีระบบบัณฑนาเนี่ย มันเป็นการจํากัดความเจริญของมนุษย์คือแต่เรามองสังเกตที่พระเจ้าทรงสะท้อนภาพของคนเอาไว้เป็นสี่กลุ่มเที่ยวมืดมาแล้วก็มืดไปก็ทรงเน้นไปที่กระบวนการแห่งกรรมแต่ว่าสังคมอารยันเนี่ยมันควบคุมโดยสังคมหมายความว่าคนเกิดมาในกําเนิดสองกำเนิดนสองสกุลสองสายคือสายหนึ่ง คือสายสูตรซึ่งเป็นพวกกุลีพวกกรรมกรทั้งหลายพวกเก็บกวาดขยะอะไรต่ไรเนี่ยมันก็ชอบกวนดีกันนะฮนะเออยางนึกถึงว่าอย่างห้องน้ำตามแอร์พอร์ตในปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้มันตั้งสองพันกว่าปีแล้วมันยังซ้ำซากนะพวกสูตรจะไม่มีโอกาสได้สถานะจากสังคมอ่อนด้อยทางเศรษฐกิจทางสังคมทางวันรรเ น, ะนี่เรื่องใหญ่ที่สุด เพระวัน น, นเนี่ยมันเกิดอ่อนร่อยทางเศษรษฐกิจทางสังคมทางการศึกษาทางการเมืองมันถูกปิดกั้นหมดเลยแล้วก็แรงกันจนถึงในคำเพีร์พุทธศาสนานี่ได้ระบุถึงว่าพวกสูตรพวกจันทาร์โอ้จันทาร์พวกจันทาร ก, ก็คือการแต่งงานที่สลับวันนะก็ได้เสียกันอาจจะเป็นกษัตริย์ไปได้กับแพทย์หรืออะไรก็ตามก็ถือเป็นจันทาร แต่ถ้าเรามองประเด็นตรงนี้ถ้าเทียบกับหลักการของพุทธศาสนาแล้วของพุทธศาสนาตรงกว่าก็มีการอนภะิปรายในประเด็นว่าวันนะ้นั้นวันสูงวันณะนั้นต่ำวันณับนั้นเป็นอย่างนั้นตามคำปีของพรานะนี่แล้วพระเทระซึ่งเป็นพราหม์มาก่อนท่านก็บอกว่าที่จริงวันณะทั้งสี่มหาได้ต่างกันไน วันนา้าใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินวันน้านั้นจะถูกจับกลุมคุมขังเสมอเหมือนกันวรนน้าใดก็ตามที่ประพฤติในอกุศลกบฏมีการฆ่าสัตว์เป็น sí. ต้นเนี่ยวันนั้นตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกติเหมือนกันวันน้าใดก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในกุศลสุจริตกุศลกบฏเป็นต้นเนี่ยตายไปแล้วก็บังเกิดในสุกติเหมือนกัน วันน่าไดที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวันน่าเดียวกันและวันน่าอื่นก็จะเข้าไปลูกน้องกวัน น, นั้นวันน่าใดก็ะามที่ออกบวชประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มีศีลมีอาจาระคนรแก่การเคารพนับถือคนในวันน่าต่างๆก็ให้การยอมรับนับถือวันน่าเหล่านั้นตระราชาที่ท่านได้ฟังประเด็นตรงนี้ท่านก็บอกว่า ในเรื่องทำผิดกฎหมายและถูกจับกุมก็ดีนะฮะการเป็นนักบวชแล้วได้รับการยอมรับนับถือก็ดีหรือว่าการได้สถานะจากสังคมการได้สานะทางเศรษฐกิจแล้วก็ได้ได้สถานะทางสังคมแาะการเมืองไปต้นก็ดีนั้นเป็นความจริงคือท่านสัมผัสมาเยอะแล้วแต่ส่วนที่ทาชั่วแลวตายไปตกนรกทำดีและบังเกิดในสวรรค์นั้น ท่านได้ยินคําพูดของพระาอารหันต์ท่านแสดงไว้อย่างนั้นแต่ว่าโยมเองก็ยังไม่เห็นนะก็ขอเชื่อพระอรหันต์ด้วยสองข้อคือทําชั่วตายไปตกนรกก็ทําดีตายบังเกิดใ น, นสวรรค์เด็กห้าข้อนี่ท่านพิสูจนได้นะและในการรังเกียจเดียดฉันในแนวนี้จึงไม่มีในศาสนาพุทธเราเจะเห็นว่าพระเทพร่ของเราบางบางองค์นี่เป็นอดีตโจรมาก่อนนะบางองค์เป็นกุลีนะเป็นกรมมกรมา งวงบึงขอทานมาเลยนะฮะบางวงมุงชนบ้าก็ยังมีเลยแต่ศาสนาพุทธเราเนี่ก็เปิดโอกาสให้คนทุกคนใช้ความสามารถของตัวเองแม้แต่ตำแหน่งพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ปิดกั้นโอกาสดังกล่าวทีนี้ในพวกตรงเนี้ยมันมีอยู่คราวหนึ่งซึ่งมันเกิดรังเกียจคนจันทานเนี่ยก็เดิน คือคนจันทานตาปกติแล้วภาพลักษณ์ของสังคมเนี่ยเมื่อก่อนพุทธสมัยมก่อนพุทธการจะเกิดคือพอส่งเสียงยังไม่ได้เลยนะเงาทับกับคนวันณะอื่นก็ไม่ได้เลยอประมงคนแรงแล้วจะเกิดไปตายในหมู่บ้านใครขึ้นมาเนี่ยเส้นส้นสมมุติว่าหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านจะสันทุกวันเนี่ยนะเจ็ดหลังคาเรือนนะเจ็ดหลังคาเรือนเนี่ยต้องกลายเป็นจันทานไปหมดเลยเป็นพราหมณ์ก็ได้กษัตริย์ก็ได้ นะถ้ามีพวกจันทานมาตายอยู่บริเวณนั้นแล้วก็ถือว่าครอบครัวแถวนั้นเจ็ดหลังคาเรือนจะต้องเป็นจันทานหมดมันก็ไม่ใช่เล่นนะเพราะงั้นคนจึงรังเกียจจันทานมากต้องเงาทับก็เป็นอัปมงคลได้เห็นก็เป็นอัปมงคลต้องล้างตาแล้วได้ยินก็เป็นอัปมงคลจะต้องชำนาหูแล้วยุ่งกันใหญ่เลยต่อมาเมื่อพุทธศานาเกิดขึ้นเนี่ย คนเหล่านั้นได้ฟังธรรมในสนานักพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่ยอ ม, มกฎเกณฑ์เหล่านี้มันไม่ไม่ไม่เป็นธรรมมีคราวหนึ่งก็คนในวันนาจันทานก็เดินปกติธรรมดานะฮะแต่ว่ามีทิดาพรามมาศาลคนหนึ่งเ้าเดินมาทางนั่นกับบริวารแล้วไปเห็นเข้าในี่สังหยุดถอยหลังกลับเลยไปล้างตัวเองทำความสะอาดด้วยน้ำหอมถึสิบหกหม้อไอ้พวกบริวารคนใช้ทั้งหลายก็ย้วใหญ่เลย จะเที่ยวสักหน่อยก็ไม่ได้เที่ยวมาเจอจันทันเลยก็ซ้อมจันทันคนนั้นสะบักสะบอมเขาเป็นพูกแล้ว น, นยฮะเขาไม่ยอมเขาเข้าไปในหมู่บ้านนั้นเลยนอนเลยประกาศนอนต้องเอาผู้หญิงคนนี้ไปเป็นพันยาให้ได้ตายเป็นงานแก่ยอมตายทุนทีน้เขาอ้อนวอนขอร้องซื้อให้เงินให้ทองกองเป็นเท่าไหร่ก็ไม่เอาต้องการผู้หญิงคนนี้ไปเป็นพันยาอย่างเดียวเท่านั้นเอง แล้วเราที่เราจะเห็นว่าในที่สุดไอกระแสสังคมเนี่ยที่มีความเชี่ยวฝังหัวมาอย่างนั้นแล้วนายนี้ไม่ยอมกินข้าวด้วยนะะมันจะตายอาจริงไอพวกเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเจ็ดตังค่าเรื่องก็กลัวขึ้นมาว่าตัวเองจะพลอยฟ้าฟพลอยฝนเขาด้วยเลยก็บังคับพราม์ให้มอบลูกสาวให้เขาผู้หญิงคนนี้เลยกลายไปเป็นเมียจันทันไปเลยเล่นกันขนาดนั้นนะคือแสดงว่าสู้กันจริง แต่ถ้าเราดูที่สมัยพุทธกาลเนี่ยมันก็คงจางไปพอสมควรเพราะว่าพระนางมาริกาเทวีเนี่ยที่จริงก็เป็นลูกสาวของนายอุทยานบานแต่ว่าได้เป็นมเหสีของพระเจ้าประเสื้อกรุ๊ศลหรือว่าพระนางวาสุลธตาหรือถ้าเทียบอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นเป็นจันฐานแต่ก็ได้เป็นชายาของพระเจ้าประเสื้อกรุ๊ศลเหมือนกัน เป็เพียงแต่ว่าทีหลังพอ ร, รู้เรื่องเข้ามาก็โอ้ยมันเกิดเรื่องใหญ่โตนะนแสดงว่าถือกันมากๆลักษณะเหล่านี้ที่จริงมันเกิดขึ้นมาจากอัตราของมนุษย์แล้วลืมว่ามนุษย์เนี่ยจะเจริญได้ยากนะเพราะว่าถึงจุดหนึ่งก็จะทําลายล้างกันเพราะพอเป็นเรามันก็เป็นเขาแล้วเพื่อจะให้เราอยู่ได้ในเราเองก็ต้องเกาะกลุ่มกันแน่วแน่นนะกลัวเขาจะถตกรังแก่กลัวเขาจะรังแกอา เขาก็เลยกระซ่องสูงกำมังอาวุธยุทธปัจจัยต่างๆเพื่อต่อสู้ห้าหันกันดรลองสังเกตดูดัมปุกเกาะทั้งหลายนะพวกนี้ไม่หยุดนะเพราะมันรู้สึกเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงแลักษณะาบางยุคบางสมัยจึงกลายเป็นนิสัสันดะีอย่างที่ยกตัวอย่างเนี้ยเรามายน ะ, ะเรื่องเรามาเกี่ยนก็ดีหรือว่าเรื่องมหาภาลตยุทธก็ดี มันแสดงความเป็นเราเป็นเขาจนลืมนะฮะว่าลูกพี่ลูกน้องกันดนั้นเองที่มาฆ่ากันบางทีอาจารย์อยู่ฝ่ายหนึ่งรู้สึกอยู่ฝ่ายหนึ่งบางทีเพื่อนกันนะฮะรบกันอยู่คนละฝ่ายแต่ความคิดเหล่านี้มันก็เหมือนเกาหลีเหนือรบเกาหลีใต้เวียดนามหนือรบเวียดนามใต้นะฮะอยว่าลาวฝ่ายต่างๆมารบกันเด็กน้อยที่จริงก็พื้นฐานมันเป็นผูกเนีมันก็แปลกตัวอัตตาเนี่ยแสดงว่ากใยายโตจริงๆ หรือถ้าไม่รู้จักแกชัดเจนแล้วเนี่ยแกก็บงการเอามนุษย์ได้ยำแย่ไรทีเดียทีนี้สังคมแต่และฝ่ายเนี่ยก็พยายามได้ทาหน้าที่ของตนแต่ก็ยึดกลุ่มความสําคัญของพวกตัวเอาไว้งั้นเราเราจะเห็นว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับพวกพราหมณ์เนี่ยจะเก่งแต่พราหมณ์มันก็แยกออกไปแยกไปก็เป็นสองกลุ่มก็เรียกว่าพรามหมณ์กับเหล่าบดี ผู้พำนที่ประกอบธุรกิจธุรกิจในสมัยนั้นก็คือการธรการค้าขายการเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชต่างๆเนี่ยก็ปร ก, ก็ไม่ค่อยหางอะไรเท่าไหร่นะฮะการค้าคาราวานเดินทางไกลเนี่ก็มีแบบเรือเดินเรือสมุทรก็ลำคงโตนะฮะเพราะว่าส่วนภูมินี่มาบ่อยเหลเกินนะพ บ, พบเรื่องไปค้าขายที่ส่วนภูมิพบบ่อย แล้วก็พวกคารวานเกวียนคารวานเกวียนเนี่ยคนที่เป็นคุมเกวียนก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จนแม้แต่พระนามพระพุทธเจ้าเราที่ศรัทธาเดวมนุษยานางเนี่ยก็ที่จริงแปรย์ผู้นําหมู่นะสัทธาวาหะแปลย์พู้นําหมู่ก็เทียบเหมือนกันหนากองเกวียนที่จะนําคนไปมาโดยความสวัสดีแล้วก็ก็เรียกมาชื่อเป็นศรัทธามาจากสัทธาวะหะ เพราะแนวทางเศรษฐกิจแนวทางงานอาชีพทั้งหลายเนี่ยฮะซึงเป็นฐานที่มาของเศรษฐกิจมันมันมันก้าวหน้าจนนึกไม่ออกน ะ, ะเคยพบในประสูตรบางประสูตรว่าคนทนํานาบางคนเ น, นี่ยไถนาคราวหนึ่งมีห้าร้อยชุดะะมีโคพันตัวมีเกวียนห้าร้อยชุดไม่ใช่พันคู่นะฮะม่พันคู่มีเกวียนห้าร้อยชุดไถนาเนี่ย เดินเรียงแถวไปเลยทีละห้าร้อยนึกดูว่ารถแท็กเตอร์รถไ ถ, ถในปัจจุบันสู้เขาไม่ได้นะแล้วก็รวยมหาศาลมากโปรเซทีชาวนาเนี่ยรักษัตริย์ที่เวกเษต์ที่ขัดแยะแไปว่าเคตที่แปลวันนาย่างเล่าแล้วก็พวกนี้เลี้ยงโคมันมีโคถึงแสนมีเจ้าฝูงที่มีถึงแสนนะเรียกว่าวาสะพะ อาสภะโคโคเรียกชื่อต่างๆนะฮะบริวาลแสนจะเรียกอย่างหนึบริบาลหมื่นบริวารพันบริวาลร้อยเนี่ยจะเรียกโคจะโค้งต่า ง, งกันเพราะโคบางตัวเนี่ยมีบริวารเป็นแสนเพมีคน จ, นนจํานวนเยอะเลี้ยงดูสัตว์เราเนี่ยรายได้มันก็มามห า, าศาลเหมือนกันทําให้สังคมอารยันยุคนั้นมัน มันก็เหมือนันเดืยนนี้นะ ค, นคือมันหมายถึงสวรรค์มาอยู่ชิดกันนะกคนที่รวยก็รวยจริงๆรวยจนไม่รู้จะว่าอย่างไงนะอย่างอะไรล่ะตาตาเหยตาเขาหน้าวิสาขามเมตตาเรษตรีนี่มีแพะเป็นทองคำหนักกี่กิโลกี่ตันก็นไม่รู้นะแพะเป็นทองเลยเป็นเรื่องที่ ฟังแล้วหน้าหน้าทึ่งมาเราคนรวยก็รวยจริงๆสืบสัดกูลกันมาไม่รู้จะเกี่ยวกับกุลลมากองเก่งกระจุกอยู่ในกลุ่มนี่ก็คือภาพโดยรวมของทางเศรษฐกิจและสังคมนะฮะของชมพูตวีปยุคนั้นต้องฟังทั้งหลายแต่โรวงรพ่อพุทิยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี